สังเกตไหมหเราจิตเราเปลี่ยนไปว่าหลวงพ่อไล่ดูนะแข็งแข็งจิตที่ดีที่สุดนือจิตของคนธรรมดานะจิตของนักปฏิบัติไม่ดีหรอกจิตนักปฏิบัติมันวางฟอมทำโดยโลภะโล อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีนะี่มีความอยากเกิดขึ้นมีการเพ่งจ้องควบคุมบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจแล้วก็ภูมิใจกันนะว่าเราผิดธรรมชาติไม่เหมือนคนอื่นนะจะขยับซ้ายขยับขวานะ ไ, ได้ยินเสียงอะไรวิ่งมาหันไปกว่าจะหันไปเห็นนหะมาบ้า ก, กัดเราแล้วหนะมาบ้าวิ่งมาถ้ากรรมาฐานแท้ๆนะท่านไหวนะท่านสายหันกว่าอะไรเป็นธรรมชาติไม่ไม่เสียแ้นทำขลุ่มทำนิ่งๆเรื่องทำขลุ่มมันจะได้อะไรได้แต่ความลำบาก ทำแล้วสบายใจตัวเองว่าได้ปฏิบัติน้าปฏิบัติที่เก่งๆนะต้องปฏิบัติเลยไม่มีใครรู้ว่าปฏิบัติใครมันจะมาดูออกกรรมฐานเป็นงานของใจอยู่ที่ใจเราเรียนรู้ใจของตัวเองไปใจสุขใจทุกข์ใจดีใจร้าย ใจโลภใจโกรธใจหลงใจเป็นไงรู้ไปได้ด้วยดูเล่นเล่นดูสบายสบายไม่ดีก็ได้ไม่จำเป็นต้องดีเราไม่ได้ฝึกเอาดีดีมันไม่เที่ยงฝึกให้เห็นเลยว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเย้ำดูเข้ามาตรงนี้ทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยล้วนแต่ผ่านไปสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับะ ทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจทั้งทางร่างกายนั้นเราตายอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกในชีวิตก็สั้นลงไปเรื่อยๆการหายใจเข้าเกิดขึ้นแล้วก็ดับการหายใจออกเกิดขึ้นแล้วก็ดับการยืนการเดินการนั่งการนอนเป็นเครื่องสังเกตความดับไปทั้งสิ้นดูได้นั่งก็นั่งตลอดไม่ได้ เดินก็เดินตลอดไม่ได้อยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ดับเปลี่ยนอิรลียบทไปจิตใจที่สุขจิตใจที่ทุกข์จิตใจที่ดีจิตใจที่ชั่วมันก็สอนให้เราไปดูความเกิดดับ ก, กันที่มันมาแล้วก็ไปความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปกุศลกุศลมาแล้วก็ไปนี่เรียนู่รู้นะสภาวธรรมทั้งหลายเนะ เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้อย่างที่ใจต้องการถ้าสั่งได้พวกเราคงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรอกสั่งได้ไหมไม่แก่สั่งไม่ได้ยอมรับเลยสั่งไม่ไดนะ้ถ้ายอมรับมาแต่สาวๆคงบรรลุไปนานแล้ว <c oughs> นี่มายอมรับเอาเมื่อแก่จริงๆแล้ว ความเจ็บไข้สั่งมันได้ไหมอย่ามาสั่งไม่ได้ความตายสั่งไม่ได้อายุมากอายุน้อยก็ตายได้เท่านั้นความสมหวังสั่งให้เกิดได้ไหมความผิดหวังห้ามไม่ให้เกิดได้ไหมห้ามไม่ได้ความโกรธสั่งไม่ให้เกิดได้ไหมได้ถ้าสงชาน น้อมจิตไปอยู่ในัานไม่โกรธไม่มีกามาราคะไปแต่งภพที่ดีขึ้นมาเป็นที่หลบภัยพอหลุมหลบภัยเก่าเสื่อมกิเลสเ้ามาใหม่งั้นเรียนกรรมฐานเรียนให้ได้หลักที่พระพุทธเจ้าสอนนะ ดูลงมาร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเหรอกเราสั่งมันไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ห้ามไม่ให้เจ็บห้ามไม่ตายไม่ได้จิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราเราสั่งไม่ได้จงมีแต่ความสุขจงอย่ามีความทุกข์อะไรเงี้ยสั่งไม่ได้จงมีแต่ความสงบอย่ามีความฟุ้งซ่านจงมีแต่ความดีอย่ามีอกุศลอย่ามีความชั่วสั่งไม่ได้ จิตจะดีหรือจิตจะชั่วเราสั่งไม่ได้ค่อยๆฝึกตัวเองให้เห็นความจริงนะตัวเราไม่มียามดูอย่างนี้ตัวเราไม่มีตัวที่แก่ร่างกายมันแก่ไม่ใช่เราแก่ตัวที่เจ็บร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บตัวที่ตายร่างกายมันตายไม่ใช่เราตาย ตัวที่สุขตัวที่ทุกตัวที่ดีตัวที่ชั่วจิตใจมันเป็นจิตใจมันสุขจิตใจมันทุกขจิตใจมันดีจิตใจมันชั่วไม่ใช่ตัวเราจิตก็ไม่ใช่ตัวเราจิตมันสุขไม่ใช่เราสุขจิตมันทุกขไม่ใช่เราทุกขจิตมันไม่สุขไม่ทุกขมันเฉยเฉยก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เราเฉยเฉย จิตโลภ ก, ก็ไม่ใช่เราโลภจิตมันเป็นคนโลภไม่ใช่เราโลภจิตโกรธก็ไม่ใช่เราโกรธจิตหลงก็ไม่ใช่เราหลงเนี่ยหัดมองไปเรื่อยๆมีการหมายรู้ที่ถูกต้องที่ผ่านมาเราหมายรู้ผิดตลอดเราหมายรู้ของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามอย่างร่างกายเราไม่สวยไม่งาม โสปลกโสโคร ก, โโรกลงไม่อาบน้ำสิไม่แปลงฟันสิเอือแล้วไม่เช็ดไม่ล้างสิหอมตายแลวเนี่ยเราที่ผ่านมาของไม่สวยไม่งามเราว่ามันสวยมันงามของไม่เที่ยงเราว่ามันเที่ยงอย่งร่างกายเรารู้สึกเที่ยงจิตใจเราวันนี้ก็จิตใจเราตอนเด็กก็คนเดิมจิตใจเราปีหน้าก็คนเดิม จิตใจเราชาติก่อนชาติหน้าก็คนเดิมคิดว่าจิตใจมันเที่ยงกพหมายรู้ผิดนะหมายรู้ของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่า ง, งามหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงหมายรู้ของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขหมายรู้ของที่ไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้ว่าบังคับได้เป็นตัวเป็นตนของเรามีหมายรู้ผิดอย่างนี้นึงๆอยู่ในใจนะ เวลาใจมันคิดอะไรมันจะคิดไปตามการหมายรู้ผิดๆมันจะเกิดการคิดผิดๆขึ้นมาสังเกตไมว่าเวลาเราคิดมันมีเราคิดที่ไรมีเราทุกทีเลยเพราะมันเคยชินในการหมายรู้ว่ามีเราพอหมายรู้ผิดมันก็คิดผิดเรียกว่าสัญญาพิปรารส่งผลมาให้เกิดจิตตาพิปรารจิตตาพิปรารไม่ได้แปลว่าบ้า จิตตวิพรลาดคือคิดผิดคิดไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการของพระพุทธเจ้าแล้คิดผิดบ่อยๆก็เกิดความเห็นผิดเกิดความเชื่อผิดที่ถีวิพัลาดในโลกมีแต่คนวิปัลาดนะจะหายวิปรลาดต้องเป็นพระโสดาบันใครยังวิปัลาดอยู่ย้งมือสีขอชมโฉมคนวิปรลาดเนี่ย ในไม่วิปลาสเหรอ <c oughs> อย่างวิปลาสเดียวสังเกตไหมเวลาเผลอเผอเวลาหลงไปในความคิดเนะี่ยมันมีเราขึ้นมาจริงๆตัวเราไม่มีมีแต่ขันห้าขันห้ามันทำงานร่างกายมันทำงานอยู่ร่างกายไม่ใช่เราเป็นวัตถุยืมโลกมาใช้ชั่วคราว ความรู้สึกสุขทุกข์มันทํางานขึ้นมาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความสุขเป็นคนไหมความสุขเป็นสัตว์หรือเปล่าความสุขมันเป็นเราไหมแต่คนโง่เขาบอกว่าเราเป็นสุขความสุขไม่ใช่เราความสุขเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาให้จิตรู้โชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ผ่านไป ความทุกข์ก็เหมือนกันมันมาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ผ่านไปตอนหลวงพ่อไม่สบายอยู่โรงพยาบาล น, นะหลวงพ่อไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ลำบากทางร่างกายเท่านั้นทางใจเราไม่ลำบากร่างกายมันเจ็บรู้ว่าร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บไม่เดือดร้อนร่างกายมันจะตายก็ไม่เดือดร้อน ร่างกายมันตายไม่ใช่เราตายยังบอกหมออะไรหมอมีหน้าที่รักษารักษาไปรักษาได้หรือไม่ได้หลวงพ่อไม่ว่าหรอกนะอย่างเงี้ได้แค่ไหนแค่นั้นรักษาไปตามหน้าที่หลวงพ่อก็มีหน้าที่ ร, ทรักษาคัน น, นี้เอาไว้คันนี้เรายืมโลกมาใช้เพนั้นเรายืมของเขามาใช้เราก็ดูแลรักษาไปถึงเวลาก็พามันกินข้าวอาบน้าขับถ่ายพามันไปนอนพามันไปออกกาลัง เจ็บป่วยก็พาไปหาหมออะไรเงี้ยยืมของเขามาใช้ก็ดูแล ร, รักษาไม่ใช่ใช้ผู้ยี้ผู้ยำถึงวันหนึ่งก็คืนเข้าไปคืนให้โลกไปมันไม่ใช่ของเราเราก็ไม่เสียดายแต่ เ, เราได้ใช้ประโยชน์แล้วประโยชน์จากร่างกายก็คือเราเอามาปฏิบัติรม เอามาศึกษาธรรมะแล้ ว, วาอาศัยร่างกายนี้แหละเดินทางไปฟังธรรมจากครูบ า, าอาจารย์อาศัยร่างกายนี้มาปฏิบัติธรรมอาศัยร่างกายนี้เผยแผ่ธรรมะมเรียกว่าใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีถึงวันหนึ่งใช้ต่อไปไม่ได้ก็ทิ้งมันไปคืนเจ้าของไปคืนโลกคนอื่นที้เอาไปใช้ต่ออย่างร่างกายเราเนี่ย รู้สึกเป็นของเรานะจริงๆยืมเข้ามาใช้นะเมื่อชาบกินอะไรเข้าไปบ้างนั่นคือวัตถุของโลกกินต้นไม้กินสัตว์ใช่ไหม ก, นนกินนู่นกินนี่บางคนกินก้อนกลวดเข้าไปด้วยเคี้ยวไม่ระวังกลืนๆๆนะมันปนอยู่ในข้าวกลืนก้อนกรวดไปด้วยสมบัติของโลกยืมของโลกมาใช้วัตถุ เสร็จแล้วก็ไปถ่ายเทเอามาเข้าไว้ในตัวมากไปก็ขับถ่ายออกไปหายใจก็อากาศของโลกหายใจแล้วก็หายใจออกคืนไปสุดท้ายก็เลิกหายใจมีแต่สมบัติของโลกไม่มีสมบัติของเราส่วนความสุขความทุกข์ความดีความชั่วความรับรู้ ความรับรู้คือจิตความสุขความทุกข์คือเวทนาความจําได้หมายรู้คือสัญญาความปรุงดีปรุงชั่วคือสังขารความรับรู้คือจิตมันเหมือนความฝันเหมือนความฝันเหมือนภาพลงตาความสุขเกิดขึ้นมันเหมือนฝันว่ามีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเหมือนฝันว่ามีความทุกข์ ใจเป็นขุศนใจโลภใจโกรธใจหลงเหมือนเราฝันว่ากําลังโลภกําลังโกรธกําลังหลงอยู่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าขันห้าเหมือนความฝันเหมือนภาพดวงตาเหมือนพยับแดดมีขึ้นมาเหมือนมีเอาเข้าจริงก็ไม่มีมีชั่วคราวก็สลายไปความสุขทั้งหลายที่เราหิวโหยเราอยากได้ ไม่นานนะพอได้มามันก็สลายไปอย่างเราอยากจีบสาวสักคนนะจีบสาวได้มามีความสุขนะไม่นานก็สลายไปไม่น่าคิดผิดเลยตอนจีบก็สวยอ่ะตอนนี้ทําไมไม่สวยแล้วล่ะเปลี่ยนไปแล้วทุกอย่างเป็นของชั่วคราวนะยืมโลกมาใช้ใร่างกายเนี้ย ความรู้สึกนมามธรรมทั้งหลายเหมือนความฝันฝันฝันฝันว่าสุขฝันว่าทุกข์ฝันว่าโลภว่าโกรธว่าหลงฝันว่าดีอย่างขนาดนี้เรารู้สึกเป็นจริงเป็นจังเราภาวนาเราจะรู้สึกเหมือนเรากำลังฝันอยู่ว่ามาฟังเทศหลวงพ่ออยู่เดี๋ยวเราก็แยกย้ายกันไปละไปไหนก็ไม่รู้ เราก็คิดว่าเรารู้นะแต่มันทีไปไม่ถึงไปตายอยู่ตามมอเตอร์เวย์ก็มีไม่รู้เมื่อไรจะเกิดอะไรขึ้นเมราเราจะประมาทไม่ได้นะมีสติทุกลมหายใจเข้าออกมีสติอยู่ทุกทุกอิริยาบถมีสติอยู่ทุกทุกความเคลื่อนไหวมีสติอยู่ทุกคราว ที่เกิดสุขเกิดทุกเกิดเฉยเฉยมีสติทุกครั้งที่จิตเป็นกุศลทุกครั้งที่จิตโลภกลดหลงมีสติเมื่อตาไปดูเมื่อหูไปฟังเมื่อจมูกดมกลิ่นเมื่อลิ้นกระทบรสเมื่อกายกระทบสัมผัสเมื่อใจคิดนึกปรุงแต่งเร่เรามีสติอยู่ตลอดนะตลอดเวลาที่เรามีสติอยู่นัอกุศลที่มีอยู่จะหายไปจะดับ กุศลใหม่จะเกิดไม่ได้กุศลที่ยังไม่มีจะมีขึ้นมากุศลที่เกิดแล้วจะเกิดได้ชำนาญขึ้นอย่างเดิมนานๆจะเกิดสติทีหนึ่งอเราหัดเจริญสติเรื่อยๆต่อไปสติเกิดเร็วเกิดทั้งวันเลยอยากหลงยังไม่รู้จะทํำยังไงให้หลงเลยนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะภาวนาไปแล้วเนี่ยจะให้หลงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใครมาถึงตรงนี้แล้วบ้างยกมือให้ดูหน่อย หลงยากทำยังไงจะหลงมันก็ไม่หลงนะเวียงมันยังไงมันก็ไม่หลงนะส่วนของเราประคองยังไงก็หลงนะอยู่ที่ฝึกอยู่ที่ฝึกเอานะทั้งหมดนี่เรื่องของกรรมนักสิ้นเราสะสมกรรมที่ให้มีปัญญาเราก็เกิดปัญญา สะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดมันก็เกิดความรู้ผิดความเข้าใจผิดนะทำอะไรก็ได้นั่นแหละต่อไปส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดกันยังเพ่งอยู่นะค่ะรู้สึกระคองนิดหน่อยค่ะเออนิดนึงก็ไม่เอามันเหมือ น, น, น, นปั่นระครองไว้ก็คือการสร้างพบพบหนึ่งขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านเทียบพบหเหมือนอุจจาระรู้จักไหมอุจจาระนะ อุจจาระก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ก็ไม่น่าหยิบขึ้นมาเล่นเงิ่นพบเล็กพบน้อยนะเ่ออย่าไปไว้ใจมันอย่าไปชื่นใจกับมันประคองนิดหนึ่งก็เป็นพบแล้วละให้รู้ทันทำไมต้องประคองพบทั้งหมดเกิดจากตัณหานะสังเจตให้ดีอยู่ๆเราไปทำลายตัวพบไม่ได้เราดูไปสิทำไมเราต้องทำอย่างนี้ เราอยากอยากอะไรนักปฏิบัติมันก็อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีรู้ทันใจที่อยากใจหมดอยากการเพ่งก็หมดการเพ่งหมดความทุกข์ความแน่นแนความหนักหนักความตึงก็หมดไปด้วยค่อยสังเกตตัวเองไปอะไรๆสู้การสังเกตตนเองไม่ได้เรียนรู้ตัวเอง เึงจะพนทุกเรีนรู้คนอื่นไม่พนทุกต่อไปยังไม่ส่งก็ส่งใหม่นะไม่ส่งกันบ้านก็ส่งใหม่ครับก็คิดเรื่องงานตลอดเลยครับหลวงพอ่อฟุงซานแหวกงานมันต้องคิดไม่คิดไม่ได้เป็นหน้าที่อยู่โลกเวลาเราปฏิบัติธรรมไม่ใช่ทิ้งหน้าที่ทางโลกนะ มีหน้าที่อะไรก็ต้องทำอย่างหลวงพ่อนะภาวนาอยากบวชมาตั้งนานอยากบวชมาตั้งแต่หลวงปู่ดูลยังอยู่ปีสองห้าแต่ไม่ได้บวชต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่มีหน้าที่มีหน้าที่ก็ทำหน้าที่ถ้มีหน้าที่แล้วทิ้งหน้าที่มาบวชนะเอาดีไม่ได้หรอกคนไม่รับผิด ช, ชอบ แต่เราต้องรู้จักบริหารเวลานะคนที่บอกไม่มีเวลาเนี่ยคือคนที่บริหารเวลาไม่เป็นไม่มีหรอกไม่มีเวลานะทำงานหนักๆเนี่ยตอนนี้เป็นเวลากินข้าวกินข้าวก็คือกินข้าวกินข้าวไม่ใช่เวลาคิดเรื่องงานหรือเวลานี้เป็นเวลานอนหลับไม่ใช่เวลามาคิดเรื่องงานไม่งั้นเราจะสับสน ถึงเวลาทำงานเราก็ง่วงอยากนอนถึงเวลานอนเราก็คิดเรื่องงานนะใครเป็นบ้างพวกนักอสานบริหารไม่เป็นนะเป็นไหมเป็นเนาะไม่เหมือนหลวงพ่อเวลานอนคือนอนจริตเป็นคนช่างคิดครับคิดทั้งครบครัอดีตแล้วก็วางแผนไปอนาคต แต่ไม่คิดถึงปัจจุบันปัจจุบันคิดเอาไม่ได้ปัจจุบันต้องรู้สึกเอาเรื่องที่เราคิดเนะี่ยไม่ตกไปอดีตก็ตกไปอนาคตปัจจุบันนะมันหลุดออกจากความคิดอยู่ในโลกของความเป็นจริงรูปนามกายใจอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นนะในอนดีตไม่มีในอนาคตไม่มีต้องฝึกตัวเองอย่าปล่อยให้ใจมันฟุ้งซ่าน ตรงที่เราไม่ปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านเนี่ยไม่ใช่วิปัสนาแต่เป็นเรื่องของสมถะสมถะกรรมฐานเนี่ยมีงานที่ต้องทำหลายอย่างจิตมีกิเลสรุนแรงก็ต้องรู้จักข่มมันจิตมีกิเลสเบาบางก็รู้จักประคับประคองมันจิตท้อแท้ต้องรู้จักให้กำลังใจมันจิตกะดีกระดา้ก็ต้องรู้จักทําให้มันเป็นกลาง งานของสมถะมีสี่รูปลักษ์แต่งานของวิปัสสนามีแต่รู้อย่างที่มันเป็นเห็นอย่างที่เป็นดั้เวลาที่จิตฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าเราเดินวิปัสสนาได้เราก็เดินวิปัสสนาเราเห็นว่าจิตฟุง้งซ่านแล้วเราก็ดูไปจิตไม่ได้ฟุง้งซ่านความฟุ้งซ่านเป็นสิ่งหนึ่งที่ผ่านเข้ามาจิตเป็นคนรู้ว่าฟุงา้งซ่านในาจะเริ่มแยกขัน ความฟุ้งซ่านเป็นสังขารขันจิตเป็นคนรู้เป็นวิญญาณขันนี่แยกออกจากกันเพราะจิตไม่เคยฟุ้งซ่านจิตเป็นคนรู้ว่าฟุ้งซ่านหรือจิตไม่เคยสุขจิตเป็นคนรู้ว่าสุขนี่ถ้าแยกออกมาได้จิตจะทาหน้าที่ของจิตคือทาหน้าที่รู้แต่จิตที่ไม่ได้รับการอบรมไม่ได้รับการฝึกนะีมันจะทาเกินหน้าที่เวลามันไปเห็นความสุขมันก็ไปว่ากูสุข หเห็นความทุกข์มาว่ากูทุกขนะ์เนี่ยใจมันจะไปหลงหลงผิดค่อยๆฝึกแยกขันไปเลยเห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นจิตเป็นคนรู้กุศลนะกุศลเกิดขึ้นจิตเป็นคนรู้จิตเกิดดับอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตก็เป็นคนรู้แล้วทําไมมันมีจิตตัวหนึ่งเกิดดับจิตตัวหนึ่งเป็นคนรู้มันคนละขณะกัน การดูจิตเนจิตมีครั้งละดวงนะจิตไม่มีครั้งละหลายดวงม่นเกิดจิตที่ไปดูหลงไปดูก่อนแล้วเกิดจิต ร, รู้ว่าเมื่อกี้นี่หลงไปดูเมื่อกี้หลงไปดูในขณะที่รู้ว่าเมื่อกี้หลงไปดูขณะนี้อยู่กับปัจจุบันนะเป็นคนละดวงกันนะเมื่อเวลาเราภาวนาแล้วจิตเราหนีไปอย่าตกใจจิตที่หนีไปเป็นจิตฟุ้งซ่านโยนมันทิ้งไปเลยเรากลับมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราไม่หลงตามมันไปไม่ต้องแก้ไข จิตฟุ้งซ่านก็ไม่ต้องไปแก้ละมันอันนี้เราใช้วิปัสสนาเลยแต่ถ้าวิปัสสนาสู้ไม่ได้ใช้สมถะฟุ้งซ่านมากก็ทําอานาปนาสติไปบริกรรมไปอะไรเงี้ยมีงานที่ต้องทําเกินจากการรู้ขึ้นมางั้นทําวิปัสสนาได้ใช้วิปัสสนาเลยเห็นจิตมันทํางานจิตมันฟุ้งซ่านดูไปดูไปความฟุ้งซ่านไม่ใช่จิตหรอกจิตเป็นคนรู้ว่าฟุ้งซ่าน ความฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปรู้ความฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับอย่างนี้จิตไม่ฟุ้งซ่านจิตจะเป็นคนดูถ้าวิปัสสนาไม่ได้ทำสมถะฟุ้งมากนักพุทโธไปหายใจไปสวนมวนต์ไหว้พระไปทำสมถะหรือมันโกรธมากโทสะมันแรงถ้าโทสะเกิดขึ้นมีสติรู้ทันว่ามีโทสะเห็นโทสะ เป็นของแปลกปลอมเข้ามาจิตเป็นคนรู้จิตไม่ได้มีโทสะโทสะเกิดแล้วก็ดับจิตเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันนเนี้เราเดินววิปั ส, สนาถ้าโทสามันแรงไม่ไหวแล้วจะฆ่าคนแล้วก็เจริญเมตตาต้องข่มต้องข่มจิตที่มีโทสะด้วยเมตตาข่มจิตที่มีโลภะด้วยอสุภะอะไรเงี้ยข่มจิตที่ฟุ้งซ่านด้วยอนาปานสติอะไรเงี้ยหรือพุทธานุสติ ถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยดูบางทีต้องทำอันนี้เป็นสมถะถ้าสมถะก็สู้ไม่ได้วิปัสสนาก็สู้ไม่ได้ก็เตรียมรับผลยังไงก็สะสมอากุศลแล้วยุทธ่ทรม ท, ที่สุดแล้วต่อไปฟุ้งซ่านแล้วก็กังวล น, นะคะแล้วก็ชอบขี่สงสัยชอบ ว่ามันถูกไหมอะไรไม่ต้องคิดเยอะพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆพุทธโธเรารู้ทันจิตไปจิตคิดรู้ว่าจิตคิดจิตสงสัยรู้ว่าสงสัยจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงนั้นแล้วก็อยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆอะไม่เอาดีไม่ต้องถามเยอะดีแล้วล่ะหลวงพ่อชอบนะหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์แทบไม่ได้ถามเลย ตลอดชีวิตที่เรียนกับครูบาอาจารย์เนี่ยพึ่งครูบาอาจารย์ทั้งหมดเจ็ดครั้งเองนะที่ว่ามีปัญหากรรมฐ า, านแล้วแก้ไม่ตกอะถ้าใครให้หลวงพ่อช่วยหรือให้ครูบาอาจารย์อื่นช่วยรวมๆกันน้อยกว่าเจ็ดครั้งนี่ถือว่าเป็นอภิชาตสิทธิ์นะถ้าเจ็ดครั้งก็เป็นอนุชาตสิทธิ ถ้าถึงแปดครั้งเนี่ยเป็นอาวัชชาตสิตแล้วสิทธิเลววาจารย์ไม่ต้องถามเยอะสังเกตให้เยอะใช้สติใช้ปัญญาของเรานี้แล้วสังเกตของจริงช่วยตัวเองให้ได้เราไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ตลอดเวลาหลวงพ่อเป็นฆราวาส น, นะแต่ภาวนาเป็นฆราวาสเราไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ทุกวันเนี่ย บางทีทั้งสามสี่เดือนถึงไปเจอทีหนึ่งถ้าเราไม่ช่วยตัวเองเราไปไม่รอดหรอกหลวงพ่อดูของตัวเองตลอดนั่ะสามเดือนสี่เดือนเนี่ยไปหาครูบาอาจารย์ที่อยู่ไกลๆทีหนึ่งทุกเดือนไปหาหลวงพ่อพุธที่โคละหลวงพ่อพุท ธ, ท, ท, ธท่านเหมือนพี่เลี้ยงเราคอยช่วยเหลือเรา ถ้ามีเวลาก็ไปหาครูบาอาจารย์ที่อยู่ไกลอยู่สุรินนั้นหลวงปู่ดนลหลวงปู่เทศหลวงตามหาบัวหลวงปู่สินอะไรนี้่้อยู่ไกลเวลาที่เหลือเนี่ยช่วยตวนสังเกตไปกระทั่งเวลาจิตมันเกิดอะไรแปลกๆนะดูดีสบางสบยัยเบิกบานแจ่มใสมากๆยังดูเลย มันเกิดจากอะไรมันของจริงหรือมันของหลอกมันเป็นนิมิตหรือเปล่าตั้งใจเอาเวลาเราปฏิบัตินะสิ่งที่หลอกลวงเรามีสองส่วนถ้าเราทำสมถะอยู่สิ่งที่หลอกลวงเราคือนิมิตนิมิตเป็นรูปก็มีนิมิตเป็นเสียงก็มีเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัส ท, ทางกายก็มี เป็นเรื่องราวทางใจก็มีเวลาที่เราทำวิปัสสนาเนี่ยสิ่งที่มาหลอกหลวงเราคือวิปัสนูปกิเลสสิบอย่างนะเช่นความสว่างเนี่ยจิตว่างสว่างนึกว่าดีเป็นวิปัสนูอีกแล้วนะวิปัสนูกับนิมิตมันเกิดจากอะไรนิมิตเนี่ยตอนเราทำสมาธิอยู่นะ จิตเราสงบไม่พอสงบครึ่งๆกลางๆจิตใต้สํานึกมันทํางานตามกิเลสออกไปก็สร้างนิมิตขึ้นมาแต่นิมิตก็ ม, มีสองส่วนนะนิมิตจริงกับ น, นิมิตปลอมนิมิตจริงๆก็มีเหมือนกันอย่างเรานั่งภาวนาอยู่จิตเรารวมลงไปถอยออกมานิดหนึ่งตื้นขึ้นมานิดหนึ่งนะแล้วจิตออกรูก้เราเห็นผีมานนั่งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ย ถ้าเห็นผีมานั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเรายังไม่รู้ว่านิมิตจริงหรือนิมิตปลอมวิธีการก็คือทวนจิตกลับเข้ามาที่จิตให้จิตถึงฐานให้จิตตั้งมั่นกันนะกลับเข้ามาที่จิตกับเข้ามาจนสบายแล้วนะถอยออกไปดูใหม่ถ้ามันเป็นนิมิตปลอมมันจะหายไปแล้วตั้งแต่เราย้อนทวนเข้าหาจิต แต่ถ้ามันเป็นของจริงถอยออกไปแล้วเจอยังอยู่ผียังอยู่ขอหวยเลยทีหลังมันเข็ดนะมันอับอายอย่าวิ่งนะเจอแล้วห้ามวิ่งวิ่งแล้วสติแตกยิ่งวิ่งยิ่งกลัวเวลาวิปัสสนูปกิเลสเกิดเนี่ยเกิดเพราะสมาธิไม่พอจิตไม่เข้าฐานคล้ายๆกันแหละแต่มันเกิดเมื่อเราเดินวิปัสสนาแล้ว เห็นความเกิดดับของรูปนามแล้วแล้วสมาธิไม่พอเวลาที่เดินปัญญาเนี่ยจิตใช้พลังของสมาธินะ่ะงั้นพอสมาธิไม่พอเนี่ยกําลังเดินวิปัสสนาอยู่วิปัสสนุจะเกิดแต่มันไม่แน่ว่าแต่เกิดวิปัสสนุเสมอไปบางทีจิตฉลาดเย่างเราเดินวิปัสสนาอยู่เนี่ยดูจิตเกิดดับอยู่ น, ยนะแล้วจิตหมดกําลังเนี่ยจิตรวมเข้าสมาธิเองเลย เข้าอัปปนาสมาธิเองเลยนะมันทำเองก็ได้แต่บางทีเนี่ยมันไม่รวมเข้ามาเป็นสมาธินะ่ะมันไม่รวมมันไปค้างอยู่ข้างนอกตัวนั้นนะที่วิปสัสสูติสิบชนิดเกิดขึ้นมาแลเแ้เมื่อไร่จะแก้ได้เมื่อไรจิตเข้าฐานเมืนะ่อนั้นวิปัสสูหายนะอันนี้ไปดูอยู่ในยุครนาธสูตรที่พระนนท์แสดง อานอนแสดงถึงธรรมะสิประการธรรมะสิประการมีโอภาษเป็นต้นมันก็คือตัววิปัสสนูสิปการมีโอภาษเป็นต้นนั่นะติดตัววิธีพ้นจากวิปัสสน์คือจิตถึงฐา น, นถึงเมื่อไหร่วิปัสสน์ดับดิมิตก็เหมือนกันเมื่อไหร่จิตถึงฐานดิมิดับเพราอนจิตเข้าฐานเนี่ยถึงสําคัญหลวงพ่อถึงย้ำนั่งย้าหนานะ จิตต้องถึงฐานแต่ไม่ใช่จงใจตั้งไว้ในฐานจงใจตั้งไว้ในฐานใช้ไม่ได้มันจะไปผล ม, มาโลกแทนมันไม่เดินมิปัสนาแต่จิตเคลื่อนออกจากฐานแล้วรู้เคลื่อนจากฐานแล้วรู้อย่างนี้ดีมากเลยดีกว่าตั้งซื่อบื้ออยู่กับฐานวันนี้ทําไมสอนยากอย่างเลยเนอนะรู้สึกไม่ตั้งแต่เช้าแนละ้วต้องมี ต้นเหตุสักคนสองคนแล้วคงไม่มีคำถามแล้วนะใครอยากถามบ้างยกมือสิใครอยากถามให้รู้ว่าอยากดูของเราเองกล้าหารบ้างเรียนหลักจากที่หลวงพ่อสอนแล้วกล้าหน่อยไปลองดนะูพอได้ไปลองแล้วนะไม่แน่ใจมาส่งกันบ้าน หรือลองแล้วแน่ใจมาส่งกันบ้านไอ้ที่แน่ใจเนี่ยสาหัสก่อยพวกไม่แน่ใจ <c oughs> หนูว่าไง ส, สงสัยอะไรมาว่ามากรับนมสัส ก, การหลวงพ่อค่ะคือก็คิดว่าปฏิบัติดูกายดูใจเขาทํางานเห็นแล้วนะคะก็เป็นกลางบ้างไม่เป็นกลางบ้างส่วนใหญ่ก็คิดว่าไม่เป็นกลางแล้วก็จิตหนูมันยังฟุ้งซ่านเก่ง น, นะ เป็นอย่งฟุ้งเก่งอยู่งั้นทำำํากรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งพุโทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้ไม่ใช่รู้ลมหายใจรู้ร่างกายหายใจก็ได้ไม่เหมือนกันนะรู้ลมหายใจกับรู้ร่างกายหายใจรู้ร่างกายหายใจเนี่ยเรารู้ตัวทั่วพร้อมเห็นได้ตัวนี้หายใจถ้าอย่างเงี้เราจะต่อขึ้นเดินปัญญา ง, ง่ายแต่ถ้ารู้ที่ตัวลมนะมันจะมุ่งไปทางกสิน ก็พยายามจะให้มีสมาธิที่ตั้งมั่นนะคะคืออย่าพยายามทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปจิตถลาจิตไม่ตั้งมัน่นไม่ต้องพยายามทําจิตให้ตั้งมัน่นถ้าจงใจทํเมื่อไหร่จิตจะแน่นๆนะใช้ไม่ได้หรอกเมื่อจิตหลงแล้วรู้จิตหลงแล้วรู้ดีกว่าจิตไม่หลงเลยแล้วรักษาไว้จิตหลงแล้วรู้นั่นะมันแสดงไตร ล, ลักษณ์อยู่ในตัวนะ เห็นไหมว่าจิตไหลไปคิดเห็นค่ะเออเห็นก็ดีแล้วเห็นไหมว่ายังบังคับจิตอยู่เหมือนตลอดที่นั่งฟังใช่ไใช่ทำหน้าให้ดูนึกออกไหมเออไปเลิกซะนีใส่ยอย่างนี้น้าปล่อยมันปล่อยให้มันทำงานมันเป็นธรรมชาติ ในภาพรวมหนูภาวนาดีขึ้นนะที่หลวงพ่อสอนแบบหนูเดือดเนี่ยเพื่อให้ดีกว่านี้ที่ทำอยู่ดีแล้วล่ะแต่ดีอยู่แค่นี้ไม่ดีนะต้องฝึกต่อพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญความดีที่อยู่กับที่ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆต่อไปใครจำเป็นกราบขอบคุณค่ะอา้าวมา คือจะบรบกวนหลวงพ่อขอแนวปฏิบัติค่ะให้กับตัวองรู้<อ>รบกวนแล้วมากวนทำไมยายจะปฏิบัติให้ถูกต้องนะคะเพื่อเป็นการบ้านตัวเองค่ะเราเจ้าความคิดเจ้าความเห็นหรือเปล่าดูออกไหมเป็นค่ะ ค, ดดคิดเยอ ะ, ะคิดเยอะนะฟงซ่านคิดเยอะพูดโอไปแทนที่จะปล่อยให้มันคิดสเปสป่านะ จงใจคิดให้มันคิดพุโทโธแต่ไม่ใช่คิดพุโทโธเพื่อให้จิตสงบนะคิดพุโทโธเพื่อจะได้รู้ทันเวลามันแอบไปคิดอืนอ่นๆเราจะรู้ได้เร็วอย่าไปบังคับจิตนะยังชอบบังคับจิตอยู่ยไปทําจิตนี่นิ่งๆไม่เอานะปล่อยให้มันทํางานเป็นธรรมชาติหนูรู้สึกไหมตลอดเวลาที่คุยกับหลวงพ่อเนี่ยหนูบังคับจิตอยู่ตลอดเลยเมันตื่นเต้น ตื่นเต้นห้ามไม่ได้พอหนูจะบังคับจิตไม่ให้ตื่นเต้นนี่คือการแทรกแสงจิตตื่นเต้นนั้นเป็นธรรมชาติเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งที่เราไปรู้มันเข้าพอเรารู้แล้วเราไม่เป็นกลางเราไม่ชอบที่มันตื่นเต้นเราก็แทรกแสงจิตถึงอืดนถ้าตื่นเต้นเราแค่รู้ว่าตื่นเต้นจิตจะไม่อึดอนะเราจะเห็นว่าความตื่นเต้นเป็นของถูกรู้ความตื่นเต้นไม่ใช่จิต ค่อยๆสังเกตไปขณะนี้ดีกว่าต ก, กี้แล้วรู้สึกไหมใจมันคลายออกดูออกไหมเ<ช>นี่ยใช้ใจที่เป็นธรรมดานะใจพี่เป็นธรรมดารู้สึกไป ด, ด, ดีขึ้นดีขึ้นแล้วเริ่มแน่นอีกแล้วรู้สึกไหมเพื่ออะไรเพื่อจะได้รักษาความดีเอาไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มกลายเป็นปลาเค็มนั่นแหละสุดท้าย <laughs> <laughs> อา้าวต่อไป พิธีม ก, กรรหลวงพ่อครับผมมาครั้งแรกครับโหการบ้านกลับไปแล้วก็เราก็ช่างคิดเหมือนกันนะชอบชอ บ, ชอบคิดกร่ทันงันธรรมะนะรู้สึกเอาแทนที่จะคิดเอานะคอยรู้สึกเอา ค, ความคิดเนี่ยเชื่อไม่ได้เพราะเราคิดไปตามกิเลสแต่ความรู้สึกเนี่ยมันไม่หลอกเราความโลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์มันของมีจริงจนะครับ เรียกว่ามันเป็นสภาวะธรรมหรือปรมา ธ, ธรรมมีจริงๆความคิดเรื่องราวเพ้อฝันเหมือนความฝันไม่มีจริงนี่จิตเรามัวไปหลงอยู่ในโลกของความคิดเราก็เลยไม่อยู่ในโลกที่สามารถเห็นสภาวะได้ตื่นลกมาตื่นมาทั้งกายตื่นมาทั้งใจคนในโลกนี้มันตื่นแต่ตัวใจไม่ตื่นอย่างเวลาเรานอนหลับแล้ว เ, เราฝันร้ายเรารู้ว่าฝัน ทันทีที่รู้ว่าฝันเราจะตื่นเลยหลุดออกจากโลกของความฝันหลายเวลาเราอยู่ในโลกของชีวิตอย่างนี้จิตเราก็แอบฝันจิตเราลงไปอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันว่าจิตลงไปคิดแล้วนะเราจะตื่นขึ้นมาคราวนี้ตื่นทั้งกายตื่นทั้งใจแล้วพร้อมที่จะเจริญวิปัสสนาตอนนี้หลงไปคิดแล้วรู้ไหมใช่ครับออรู้ไป แล้วก็ประคองอยู่เหมือนกันดูออกไหมใช่ครับมันจะแน่นจิตที่หนักแน่นแข็งซึมทื่อนะเป็นอกุศลจิตนี่เราภาวนาแล้วเกิดจิตอกุศลจิตแน่นๆไม่ดีพยายามฝึกสิ่งที่เรียนรู้มานั้นก็ใช้ได้นะเรียนรู้มาใช้ได้แต่หัดสังเกตของจริงนี่แหละอย่าให้ความคิดนา มีชุดอ่อนที่ความคิดนำมันยังเยอะดูออกเปล่าใช่ครับคิดเยอะครับนั่นแหละหลวงพ่อดูโงูเฮ้งเก่งไม่ใช่ปฏิหาร <laughs> เราดูโงูเฮ้งเก่งเอ้าใครจำเป็นขอที่จำเป็นจริงๆนะกลับลมสัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะคือช่วงนี้เหมือนรู้สึกตัวเบาโล่งเจ้าค่ะ แล้วก็เหมือนเห็นรูปนามชัดเจนขึ้นแต่อยากทราบว่าเริ่มเดินปัญญาได้บ้างหรื อ, อยังเจ้าค่ะยังยังนะตัวที่เบานี้เป็นอาการของสมถะนะอย่างเรากำหนดไปเรื่อยๆตัวมันจะเบาใจก็เบาเบ า, เบาๆลอยๆใสงเจไหมมันลอยไหม อเออนะเหมือนลอยลอยอยู่อย่างเงี้ยมาถามหลวงพ่อว่าอย่างนี้ดีไหมไม่ดีหรอกจิตต้องไม่ล่องลอยแบบนี้จิตไม่เข้าถานจิตลอยอยู่ข้างนอกเราหายใจสิอย่าดึงจิตนะอย่าดึงจิตคืนนะให้รู้ทันว่าจิตลอยลอยอยู่แล้วก็หายใจไปจิตจะเข้ามาหรือไม่เข้ามาเป็นเรื่องของจิตาก็ทาดูสิดึงแล้วอย่าดึง หนูดูออกแล้วใช่ไหมว่าจิตมันไปลอยอยู่ข้างนอกถ้าดูออกแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วนะ่ะแค่รู้ว่ามันอยู่ข้างนอกนะแล้วทำกรรมาฐานไปแล้วมันจะเข้ามาเองอย่าดึงคืนถ้าดึงแล้วใช้ไม่ได้แน่นเลยนะว่อจิต ย, ยังไม่ถึงฐานการเจริญปัญญาที่แท้จริงไม่มีบางทีจิตลอยอยู่ข้างนอกเห็นสภาวะเกิดดับนะแต่มันเห็นแบบใจที่ไม่มีกำลังพอ มันใช้ไม่ได้เห็นด้วยสมาธิที่อ่อนเกินไปค่ะแล้วหนูมีคือช่วงนี้มาถือศีลอยู่ที่วัดเจ้าค่ะเลยมีเวลาปฏิบัติในรูปแบบเยอะเลยบางช่วงคือจะติดเพ่งเจ้ า, าค่ะควรแก้ยังไงดีเจ้าค่ะรู้วเพ่งนะเพ่งขึ้นมาเพราะว่าโลภอยากปฏิบัติตลอดเวลาอยากมีสติตลอดเวลามันมีคำว่าอยากเกิดขึ้นในใจเราให้รู้ทนใจที่อยาก ถ้าเราทำลายตัวกิเลสแล้วการกระทำกรรมคือการเพ่งก็จะไม่เกิดวิบากคือความทุกข์ความอึดอัดก็จะไม่เกิดนะหนูสังเกตไหมถ้าเราบังคับจิตมันเพ่งอยู่มันจะอึดอัดนะตอนนั้นมันเป็นวิบากแล้วต้องรับรับกรรมมันเกิดจากโลภให้รู้ทันใลยใจมันอยากดนะีถ้าเห็นใจที่อยากดีนะความอยากดีดับใจเพ็งกลางขณะนั้นปฏิบัติเสร็จแล้ว ดูกิเลสที่เกิดดับสดสดร้อนร้อนนั่นะ่ปฏิบัติเสรแล้วเมื่อกี้ใจไหลไปคิดวูบหนึ่งรู้สึกไหมหนูเห็นไหมตรงที่ใจไหลไปคิดแล้วหนูรู้ทันเนี่ยจิตหนูเปลี่ยนไปหนูรู้สึกไหมจิตตัวนี้แหละที่ถึงฐานเรียบร้อยแล้วโดยที่เราไม่ได้ไปตั้งโดยที่เราไม่ได้ดึงจิตตัวนี้สงสัยแล้วรู้สึกไหมรู้สึกเจ้าค่ะ เห็นไหมพอเรารู้ว่าจิตสงสัยนะจิตผู้รู้ก็เกิดขึ้นอีกลเะฉะนนตัวจิตผู้รู้ไม่ใช่เรื่องยากหรอกเมื่อไรเรารู้สภาวะธรรมตรงตามความเป็นจริงนะตัวผู้รู้จะเกิดขึ้นนีสภาวะอะไรที่เกิดบ่อยสภาวะหลงคิดเกิดบ่อยที่สดุดครูบาอาจารย์เลยมาย้าที่หลงคิดที่จริงหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดทางใจหลงไปเพ่งทางใจ อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นเรารู้ทันตัวรู้่าเกิดแล้วตอนนี้ตัวคิดเกิดรู้สึกไหมรู้สึกเมื่อไหร่ตัวคิดเกิดเมื่อนั้นตัวรู้ตายเมื่อไหร่ตัวรู้มันตายตัวคิดมันก็เกิดนะมันสลับกันไปอย่างนั้นนะตอนนี้ตัวคิดเกิดอีกแล้วรู้สึกไหมหนูไปดูตรงนี้แหละจะเห็นเลยตัวคิดเกิดแล้วก็ดับตัวรู้เกิดแล้วก็ดับ ดูมันแค่นี้หนละแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องวิปัสสนานะเรื่องเดินปัญญาแค่นี้มันเดินแล้วแล้วทำไมหลวงพ่อสอนหนูพิลึกพิลั่นให้รู้ทันตัวรู้ ต, ตัวคิดเนี่ยถ้าหนูรู้ตัวที่คิดตัวที่รู้จะเกิดสมาธิไมนจะเกิดแล้วจะเข้าฐานเรียบร้อยเราจะได้สมาธิมาแล้วแล้วเราก็จะเห็นในจิตมันทำงานได้เองตอนนี้สงสัยอีกแล้วรู้ไหมจ้าค่ะ ตรงนี้มันเบิกบานขึ้นมาแต่ไม่เต็มที่มีความแน่นๆอยู่ด้วยดูออกี่ยรู้ทันอย่างนี้แน่นๆอยู่เพราะยังประคองมันอยู่ยังรักษามันอยู่ใจกล้าๆ้าอย่ารักษามันรักษามันทำไมจิตมันเกิดดับตลอดเวลาไม่มีใครรักษาไว้ได้ขอบพระคุณเจ้าค่ะวันนี้รู้สึกสอนยากจัง กลับนมาสการพระคุณเจ้าหลวงพ่อประโมทค่ะประโมทโชวัดสวนสันติธรรมไม่เต็มยศเลยหลวงพ่อ <c oughs> ประโมทประโมทโชว์เออน่ารักจริงหนูมาส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะออหนูขอกราบคําแนะนําท่านสองข้อค่ะข้อแรกเลยหนูพยายามปฏิบัติตามที่ได้อ่านจากหนังสือหลวงพ่อแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่ อ, อนะคะก็พบว่าก็ตามพยายามจะตามดูกายดูจิตอยู่ตลอด แต่ปัญหามาตอนกลางคืนค่ะท่านคือพอเราอยู่คนเดียวเนี่ยจิตมันไปรู้สภาวะทั้งในเชิงบัญญตัติแล้วก็ประมัติทางด้านของความกลัวอยากจะกราบขอคําแนะนําท่านค่ะ <c oughs> เพราะว่าเดือนมิถุนาหน้าต้องมาอยู่วัดเป็นครั้งแรกค่ะท่านอยู่วัดที่นี่เหรอค่ะท่านลงชื่อเรียบร้อยไม่มีอะไรน่ากลัวที่นี่นะมีแค่ ง, งูที่น่ากลัวจริงๆอะ่ะมีงูเหา่างูจงบางงูกระปะ งูเขียวหังไหมงูสามเหลี่ยมงูทับสมิงคลามีเท่านี้แหละนะเหวนตุ๊กแกอะไรเงี้ยไม่มีอะไรน่ากลัวนะมันกลัวเราผีผีที่ไหนก็มีในกรุงเทพก็มีกลัวไหมกลัวค่ะท่านแล้วจะหนีไปเลยไหม <c oughs> จะสลาสิทธ์หรือเปล่ปย า, ยาหรือจะสู้พยายามจะมาค่ะท่านนะ ต, ต้องมาให้ได้สิ <c oughs> มันเป็นเวลาที่เราจะได้ฝึกตัวเองนะะถ้าเรายอมแพ้เราก็จะแพ้ไปเรื่อยๆเท่านัา้ค่ะถ้าเป็นของจริงจะทํายังไงคะอา้าวหลวงพาสอนแล้วไงสอนของจริงนะเราย้อนมาดูแจขงเราไว้ใจกลัวรู้ว่ากลัวนะดูเข้าไม่ถึงใจแล้วแล้วก็ถ้าเราชํานาญเนี้ยจิตมันถอยออกไปอีกนะยังอยู่เนี่ยขอผุ้วยเลยมันเข็ดหมดเลยมันกลัวะผีเนี้ยกลัวคนขอผุวยนะอืเพราะว่ามันไม่รู้ <ข>อย่ายไปกลัวมันค่ะท่านกับขอบพระคุณค่ะข้อสองนะคะท่านหนูมีเพื่อนเป็นชาวพุทธค่ะแต่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาครั้งหนึ่งเขาเคยถามว่าถ้าไม่มีอัตตาแล้วใครเป็นคนสะสมกรรมหนูตอบไม่ได้ค่ะหนูขออนุญาตขอคำแนะนำหลวงพ่อจิตนั่นแหละทำกรรมจิตนั่นแหละสะสมกรรมจิตนั่นแหละรับกรรม มันคล้ายๆคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์เวลาเราใช้งานเสร็จนะตอนที่เราจะปิดเครื่องมันจะต้องเซฟข้อมูลเก็บเอาไว้มันเก็บไว้ที่ไหนมันก็เก็บไว้ที่เครื่องนั่นแหละเครื่องคอมพิวเตอร์มันทํางานมันจะทํางานแล้วมันก็เก็บข้อมูลลงไว้ในเครื่องสะสมเอาไว้เก็บรักษาไว้จิตนี่แหละเป็นผู้กระทํากรรมจิตนี่แหละสะสมบิบากเอาไว้จิตนี่แหละเป็นผู้รับผลของกรรม ให้เขาเรียนเรื่องจิตสก่อนแล้วเขาจะไม่สงสัยถ้าเขายังไม่ได้เรียนเรื่องจิตเขาคิดเอาเขาจะสงสัยไปเรื่อยๆธรรมะรู้ไม่ได้ด้วยการอ่านด้วยการฟังด้วยการคิดธรรมะรู้ได้ด้วยวิธีเดียวคือการเข้าไปเห็นของจริงเรียนรู้จิตตนเองแล้วจะเข้าใจว่าจิตนั่นแหละเป็นผู้กระทำกรรมจิตนั่นแหละเป็นผู้สะสมผลของกรรมจิตนั่นแหละเป็นผู้รับผลของกรรม ของหนูที่ฝึกอยู่ก็ใช้ได้นะจิตหนูดีขึ้นทั้งเยอะแล้วล่ะฝึกต่อไปอย่าท้อถอยนะแล้วเมื่อไหรจะมาอยู่วัดนะเดี๋ยวหนูมาค่ะที่สมัครไว้คือเดือนออปลายเดือนมิถุนากับเพื่อนกัลยาณมิตรที่นั่นงข้างๆคกันแต่อยู่คนละกุฏิค่ะถูกแล้วหนูพ่อให้อยู่คนเดียวอยู่หลายคนพาวนาลําบากเดี๋ยวชวนกันคุย เวลาอยู่วัดอย่าไปเล่นไลน์เล่น a ฟ e b o o k อะไรนะตั้งใจภาวนาหลวงพออ่อปีที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ไปเพิ่มความรู้สึกตัวค่ะแล้วหนูก็พยายามไปเพิ่มความรู้สึกตัวแล้วก็เห็นว่าจิตมันทำงานได้เองเออค่ะแล้วหนูก็ดูความชอบไม่ชอบแล้วหนูรู้สึกว่า ความไม่ชอบมันจะมากกว่าความชอบอะค่ะแม้ะทั้งเวลามีความสุขอะ่ะ ม, มันก็รู้สึกว่ามันไม่ชอบอะค่ะ ม, มัน ม, มันไม่ได้มีจริงอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีสติที่จะรักษาสิ่งได้ดีขึ้นค่ะไปฝืก อ, อีกที่พูดมานะใช้ได้ไม่ทำต่อตอนนี้จิตไม่เข้าฐานดูออกไหมดูออกไหมดูออกค่ะหลวงพ่ อ, อ หลวงพ่อไม่ได้ใช้ทระโสมเลยต้องฟังผ่านไม่แก่แล้วหูเติงนี่นั่งก็ยีอยู่กลับนวะัตสงฆ์เจ้าค่ะมยมภาวนา ม, มาหลายปีแล้วค่ะอออตอนแรกยมคิดว่ายมมีโทสะแรงมาก แต่ตอนหลังนี่เลยรู้ว่าตัวเองมนะี m a n ะแรงกว่ายิ่งกว่า ม, มันตัวนี้ก็คือปัญหาในการภาวนาของโยมตัวนี้ไม่ใช่ใไม่ใช่ปัญหานะการที่เราเห็นกิเลสแล้วเรารู้ทันกิเลสนะั่นคือการเดินปัญญาถ้าจะมีปัญหาก็คือมีกิเลสแล้วไม่รู้ว่ามีกิเลสตุ ก, กิเลสครอบงำดังนั้นถึงจะเป็นปัญหา นั้นเรารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในใจตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยนั่นแหละดีไปดูต่อเจ้าค่ะมันคือมันมันมันมันร้ายกาจขนาดเออเอาเสียงพระอาจารย์มาชมชมตัวเองด้วยค่ะมันมันร้ายมากเลยค่ะเออนั่นแหละดูไปอย่างดีไม่เอาเสียงมาด่าพระอาจารย์รู้ทันมัน โยมีอะไรที่จะต้องแก้ไขไหมคะเวลาใจมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขอย่าตอนนี้ใจมีความสุขแต่มันเผลินดวกไหมดูกค่ะเออเพลอเพลินไม่ดีเสียเวลาทำให้เนินช้ามีความสุขแต่ไม่เผลิดเพลินค่ะหลวงพ่อค่ะคือ หนูเพิ่งหัดเดินจงกรมนะคะเมื่อวันที่25 <อ>สิงหาอายุเท่าไหร่แล้ว68นะคะ68มันน่าจะเดินมาตั้ง67ปีอย่างน้อยนะแต่นั่งสมาธิบ่อยแล้วก็ถือศีลห้าตลอดชีวิตไปเดินไป <c oughs> เดินนะแล้วก็เห็นร่างกายมันเดินใจไปคนดู เวลานั่งเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูเวลาหายใจเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูนะเรามีใจเป็นคนดูร่างกายมันทํางานไปเรื่อยๆเราจะก้าวหน้านะะถ้าเราไปเพ่งอยู่นิ่งๆอย่างเนี้ยทําจิตให้นิ่งๆอยู่อย่างเนี้ยไม่ไม่พัฒนาะมันนิ่งไปตอนหนูนั่งสมาธิเนี่ยจะไม่มีคําบริกรรมนะคะอืมไม่ต้องก็ได้ จะหายใจแบบเข้าออกรู้สึกว่าหายใจเข้ารู้สึกว่าหายใจออกลองทำให้หลวงพ่อดูสิยืนอยู่นี่แหละแล้วหายใจให้หลวงพ่อชมเวลาหายใจแล้วจิตมันไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดนะจิตมันถลําไปคิดรู้ทันหายใจไปแล้วรู้ทันจิตไปสังเกตไหมตอนที่เราหายใจตะเคียใจเราโล่งขึ้นมาใจเราโล่งขึ้มารู้ว่าใจโล่ง ใจหนักรู้ว่าใจหนักหายใจแล้วรู้ทันใจไปเรื่อยๆไม่ใช่หายใจเอาสงบนะหายใจแล้วคอยรู้ทันใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคอย่างนี้หายใจแล้วใจสว่างโล่งขึ้นมารู้ว่าสว่างแล้หายใจแล้วอย่างขณะเนี้ยจงใจหายใจใจแน่นๆใจแน่นๆรู้ว่าใจแน่นๆจะรู้ทันปัจจุบันไปเลยใจเราเป็นยังไงรู้ไปเรื่อยหายใจไปแล้วรู้ทันใจไปทําอย่างนี้นะ ปัญหาที่ติดขัดก็คือเมื่อสองเมื่อประมาณวันที่สิบเดือนนี้นะคะคือหนูนั่งสมาธิอยู่แล้วก็กาหนดลมหายใจอย่างที่เคยทำมานะคะแล้วก็อยู่ๆมันมันมีแผ่นสี่เหลี่ยมขึ้นมาสีดำเนียนเลยนะคะอะไรนะนมีอะไรนะเนียนแบบละเอียดนะคะสีดำนั้นละเอียดเนียนคานเนียนแล้วก็มันจะเป็นรูปแบบ สามเหลี่ยมแบบจมูกเราเนี่ยคะ่ะอืแล้วก็หายใจอยู่ๆลมหายใจนั้นก็หายไปอหนูก็ตกใจหายไปไหนหายไปไหนก็ลองอยู่หนใจนะอสามเหลี่ยมนั้นไม่ใช่อะไรหรอกนะคือโครงสร้างจมูกเราเองค่ะเพราะเราหายใจไปถึงจุดหนึ่งลมหายใจก็ระงับไปไม่ต้องตกใจเป็นเรื่องปกติตอนนั้นสมาธิเราแตกซะแล้วเราตกใจกลัวตายค่ะ ไม่ต้องกลัวนะยังไม่เคยเจอใครปฏิบัติตา ย, ตายสักคนหนึ่งเลยแล้ววันที่สิบเบ็ดเห็นอีกค่ะแต่ว่าเป็นใสใสเหมือนแก้วเลยอะค่ะมันก็คือนิมิตทั้งหมดไร้สาร ะ, ะไม่มีประโยชน์ที่สำคัญคือใจเราเช่นมันใสขึ้นมาใจเราสงสัยว่าคืออะไรรู้ว่าสงสัยอย่างนี้ดี ถ้าเกิดใจเราใสอู้วันนี้ดีเมื่อวานไม่ดีวันนี้หน้าภูมิใจเกิดภูมิใจเขาไม่เห็นอันนี้ไม่ดีรู้ทันใจเขาเรานิมิตทั้งหลายไม่มีนัยยะไม่มีความสำคัญอะไรทั้งสิน้นเอาพอละเดี๋ยวจะต่อวันที่สิบสองยันวันที่สิบแปดขอบพระคุณค่ะคนสุดท้ายบางคนยกแต่หลวงพ่อไม่ได้เรียกนะให้ไปดูเอาเองหัดดูเอาเองบ้าง ไม่งั้นเหมือนมีกันบ้านแล้วถามติวเตอร์ตลอดไม่เก่งอ่ะเอาบ้านม า, มากลับกลับหลวงพ่อคะ่ะส่งด้านแม่คดูเห็นไหมบบว่าใจเราเปลี่ยนไปนดูออกบบไหมว่าแบบใจเราไม่เหมือนเดิมดูออกค่ะโอ้นั่นแหละเราภาวนาเป็นแล้วนภาวนาได้ดีแล้วล่ะแต่ต่อไปนี้เราก็ดูไปเรื่อยๆใจเรานี้ไม่เคยคงที่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย บางวันสงบบางวันฟุ้งซ่านนะบางวันสบายใจบางวันกลุ้มใจต่อมาก็ดูได้ละเอียดขึ้นในวันเดียวกันเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันต่อไปชำนาญมากขึ้นเราะว่าแต่ละขณะใจเราก็ไม่เหมือนกันอย่างขณะที่มองเห็นใจเราก็เปลี่ยนแปลงขณะที่หูได้ยินเสียงใจเราก็เปลี่ยนแปลงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรดกายกระทบสัมผัสใจเราก็เปลี่ยนแปลง ขณะที่ใจเราคิดนะจิตใจเราความรู้สึกเท่าไหร่ก็เปลี่ยนแปลงเนี่อหนูหัดเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองบ่อยๆนะหนูเดินมาได้ดีแล้วละ่ะอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งนะยังมีอยู่นิดหน่อยบังคับให้นิ่งเป็นไหมเป็นค่ะเออเลิกซะนะเป็นนิสัยที่ไม่ดีการบังคับตัวเองเครียดอย่างนี้เครียดไป ให้รู้กายอย่างที่กายเป็นให้รู้ใจอย่างที่ใจเป็นไม่ใช่รู้กายอย่างที่อยากให้มันเป็นรู้ใจอย่างที่อยากให้มันเป็นนะรู้อย่างที่เขาเป็นจริงๆเอาละวันนี้ได้เท่านี้นะถ้าใครสงสัยอะไรก็ไปถามผู้ช่วยสอน